คนเนี่ยเริ่มปฏิเสธพระนะพระนะแทบจะกลายเป็นสัตว์ป่านะเหมือนช้างเหมือนอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีที่ให้อยู่ละกลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจมีรนรงนะอย่าไซบาทดอย่าถวายปัจจัยอย่านอนอย่านี่นะบังคับมากมายเพราะว่ามันมีคนไม่ดีขึ้นมา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 ถ้าไม่เกิดปัญญาไม่เห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจแล้วก็ไม่มีทางที่จิตจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านชี้ขาดเลยว่าบุคคลทั้งหลายนะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่อยู่ๆปัญญาไม่เกิดออกต้องมีศีลมีสมาธิเป็นฐานการที่เราจะมีศีลเราจะมีสมาธิเราจะมีปัญญานี่นะขั้นแรกเลยเราต้องพัฒนาเครื่องมือที่สาคัญที่สุดขึ้นมานหนึ่งเครื่องมื อ, อ น, นี้เรียกว่าสตินะ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 เราเป็นพวกโทสะจริตอย่างร้ายแรงนะรํำคาญอุ้ยสิบสี่จังหวะเยอะไปลาคาญเอาแค่นี้แค่นี้เองไม่ต้องสิบสี่จังหวะต่อมาอย่างนี้เมื่อยนะเอาแค่นี่เองค่นนี้แตะแล้วรู้สึกแตะแล้รู้สึกตัวนะแค่นี้เองวันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนไม่เจอนานแล้วเพื่อนคนนี้ดีใจพอดีใจปุ๊บไม่เห็นว่าดีใจนะขาดสติก้าวเท้าไป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 หรือจะรู้สึกที่ใจใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้รู้ไกยก็ได้รู้ใจก็ได้หรือบางคนขี้มโมโหพวกเราคนไหนขี้มโมโหบ้างยกมือเสคเป็นไหนขี้มโมโหนะคนไหนขี้รอบเจออะไรชอบหมดเมียชาวบ้านก็ชอบเห็น ไ, ไ, ไหมเป็นไหนขี้รอบผู้หญิงไม่ไม่ยกมือเพราะไม่ได้ชอบเมียชาวบ้านนะไม่ยกมือคนไหนฟุ้งซ่านเก่ง นคนไหนหดหูหดหูบ่อยมีไหมใจหดหูเศร้าเป็นนางเอกตลอดชาติเศร้าอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเป็นพวกที่มีกิเลสแรงๆนะขี้โมโหเงีย้ยเราจเจริญสติด้วยการรู้เลยจิตลรโมโหขึ้มารู้ทั น, นแเราก็จะเห็นเลยโมโหอยู่ชั่วคราวเดียวก็หายไปคนไหนขี้โลภเราก็ดูจิตโลภ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 เราก็ดูไปใจโกรธขึ้นมาเราก็รู้ใจหายโกรธเราก็รู้หัดดูไปได้ต่อไปเนี่ยพอความโกรธมันผุดขึ้นมาเราไม่ได้เจต น, นาจะรู้เลยนะมันจะรู้ได้เองว่าโกรธแล้วนะจะมีคําว่าแล้วด้วยนะมันจะโกรธแล้วหรือคนไหนขี้โลบเราก็ดูไปเดี๋ย ว, วเจออันนี้ก็อยากได้เห็นอันนี้ก็อยากได้นะได้ยินเพลง อ, อันนี้ก็อยากได้อีกอยากไปซื้อมานะอยากไปแอบดาวน์โหลดเข้ามาอะไรอย่างนี้นะเนะี่ยใจมันอยากได้ไม่ว่าเจออะไรอยากได้หมด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 อาภัพนะต่อไปนี้พยายามรู้สึกตัวเองบ้างถ้าเจอกันคราวหน้าหลวงพ่อถามต้องตอบถูกนะอย่าเล่นมั่วน ะ, ะเวลากลืนอาหารไปสังเกตดูหายใจยังไงนะเวลาพูดอนะ่ะหายใจเข้าได้ไหมเอาลองหายใจเข้าแล้วพูดสิ <c oughs> ลองได้ไหม <c oughs> <c oughs> หายใจไม่ได้นะ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 แลถ้ามีสติบ่อยๆนะกุศลก็มากขึ้นมากขึ้นศีล ส, สมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นนะขาดสติตัวเดียวขาดความดีทั้งหมดเลยมีสติก็เป็นบาตเป็นฐานที่จะมีความดีทั้งหลายตามมาเพราะฉั้นเรื่องสติสําคัญมากนะพวกเราต้องฝึกทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะจะรู้ร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไว้ร่างกายอยู่นิ่งอะไรก็ได้หรือจะดูสุขทุกข์ก็ได้จะดูจิตใจที่โบลบโลรดลงก็ได้นะ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 ถ้ า, อ ย, าอย่างอย่างนี้ก็ไม่ค่อยตั้งแล้วหลุดรึบไปเลยอันนี้หลงไปเลยเนี่ยไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านศันนตรูของสมาธิจริงๆคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นอะไรเป็นกุศลหรือเปล่ากุศลเป็นอกุศลงั้นมันแพ้อะไรแพ้สตินีมันแพ้สติงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่าน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 จดจอลงไปอ้าพอหรือหัวแม่มือซส ย, ยิ้มหวานทีหนึ่งก่อนยิ้มหวานให้ใจไปอยู่ที่ผมซิผมถ้าใครหัวล้านก็เอาไงดีเอาหนังหัวก็แล้วกั น, น, นใครมีผมให้รู้สึกที่ผมซิให้ใจไปอยู่ที่ผมไปที่ผมนี่ยากกว่าหัวแม่มือแฮะบางคนมันเลยคิดเรื่องอื่นไปเลยถ้ารู้หัวออกไป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 ร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเราจะรู้รสึกร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันเอาทุกคนลองยิ้มหวานี่ทียิ้มเห็นหร่างกายยิ้มไหมใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรนู้ร่างกายยิ้มอาพยักหน้าช้าๆนะเดี๋ยวบางคนความดันมากพยักทีเดียวหัวทิ้มอันนี้เคลื่อนไหวเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เราไม่ได้ดูด้วยตานะเรารู้ด้วยใจเนี่ยขยับมือ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 เห็นความสุขทุกขคือตัวเวทนาจิตเป็นคนดูแยกได้สองขันเวทนาคือความสุขทุกข์จิตเป็นคนดูสองขันก็พอมันก็จะเห็นไตรลักษณ์อีกนะก็เห็นไม่มีเราไม่มีเขาค่อยๆฝึกนีค่อยๆดูไปเอาสองตัวก็พอแล้วไม่ต้องแยกทั้ง5ขันแต่สุดท้ายแยกได้หมดแต่เบื้องต้นเอาสองขันพอนตัวหนึ่งเป็นผู้ดูตัวหนึ่งเป็นผู้แสดง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 ถ้า ร, รู้ตลอดเวลาเนี่ยจงใจรู้ใจจะทื่อๆไปเวลาใจทื่อๆนะจะดูโลกได้เฉยๆแต่มันเฉยแบบเฉยเมยจะเฉยแบบเฉยเมยจะเฉยเวลายิ้มก็ยิ้มอย่างนี้อย่าให้เป็นนะมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเออไม่หลวงพ่อเรียกว่า over action เพื่อให้เราดูออก อ, อย่าให้ติดแบบนี้ก็แล้วกัน ก็เห็นมันเคลื่อนนะฮะเออถ้าเคลื่อนอยู่ใช้ได้ครับนะเนีย่ยตอนนี้ใจเป็นสุขหรือใจเป็นทุกข์หรือใจเศร้าหมองคือลึกๆพราะรู้สึกว่าใจมันมีความสุขนะฮ ะ, ออะไม่เศร้าว่าจริงไม่จริงฮะ <laughs> <laughs> รู้ไป่ากที่เห็นแล้วแหละนะครับนะรู้อะไรไม่สำคัญนะสำคัญที่ว่ารู้แล้วยินดีก็รู้ทันยินร้ายก็รู้ทันนะ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 ถัดไปนรศการคะท่านเวลาลูกปฏิบัตินะคะตอนนี้มันมีปัญหาเหมือนว่ามันเหมือนจิตนะมันเหมือนมีใครมาทุบอยู่เรื่อยอะค่ะมันทุบที่ไหนทุบที่ส่วนหน้าอกอ่ะค่ะมันเหมทุบมันทุบทุบทุบอย่างเงี้ยเออเฮ้ไม่ทราบว่าลุกท่านไม่ใช่ของเราเราพอน่าดีแล้วมันมันหยอกเล่นมันแกล้ง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 เวลาเราภาวนาดีๆนะบางคนที่มีวิบากเก่าๆมันจะมาคิดดอกเบีย้ยเราดอเยเยอมไม่ใช่ดอกเบีย้ยมันใช่เรียกอะไรนะมาทวงนี้นะมันจะมาทวงนี้เร า, ม, ามันจะหมกักแรงอันนี้เฉพาะที่เรามีวิบากนะอถ้าเราไม่มีเวรมีกรรมไม่เคยทําบาปทาําอาคุณอะไรมามันมาไม่ได้หรอกมาไม่ถึงยิ่งเราภาวนาดี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 มันจะเอาตายเลยนะบารมีท่านมากท่านก็พ้นไปได้มาสอนพวกเรา<ม>พวกเราก็บารมีน้อยมนันก็ไม่ตัวใหญ่นักอะ่ะ<ม>ถ้าบารมีมากมานันก็ตัวโตวนะคู่ชกมันก็จะใหญ่ไปด้วย<ม>ของเราก็คู่ชค ก, กิ๊กก๊อกอยงเงี้ยมไม่เป็นไรพอสู้ขอการบ้านด้วยนจ้ะดูไปได้วยใจเป็นกลางจเจริญเมตตาไว้อย่าไปมโมโหมันกลับงานราชการหลวงพ่อเจ้าค่ะอ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 ถ้าเราจะแก่นะขันมันแก่แนละ้วไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บขันมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บมันตายขันมันตายไม่ใช่เราตายนะเี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องสะทกสถานอีกต่อไปค่อยๆฝึกไปทําถูกแล้วละ่ะดีก็ขอาจจะช่วยตัวเองได้บ้างทําแบบนี้นะทําไปนะคําว่าช่วยตัวเองได้เนี่ยนะเป็นคําที่ครูบาอาจารย์ใช้กับคนที่ได้พรโสดบัน <ขอ S 1> นะ <laughs>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 จิตขนาดนี้ถึงฐานไหมตอนนี้เนี้ยจิตส่งออกนอกถูกถเป็นค่ะนะถึงฐานไม่ถึงฐานไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าออกนอกก็ใช้ได้ะไม่ต้องไปดึงให้เข้าฐานหรอกถ้าดึงแล้วมันจะแน่นนะรู้ว่ามันออกไปแต่ถ้ามันออกแล้วไม่ยอมเข้านะแล้วก็หายใจแล้วก็คอยรู้สึกหายใจแล้วรู้สึก้ค่อยๆกลับเข้ามาแต่อย่าดึงแรงถ้าดึงแล้วจะแน่นนะสังเกตไหมว่ากายกับใจมันขวนละอันกันค่ะอย่างนั้นแหละขันมันแยก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 ปล่อยๆบ้างไม่ดีก็ได้นะเอมีกิเลสก็ได้เรารู้ว่ามีก็เห็นใจที่อยากพูดไหมเอออย่างนี้ใช่ได้นะหนูก็การปฏิบัติค่ะหนูก็ขอถวายเป็นพูธระบูชาค่ะธรรมบูชาและสังฆบูชาแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ค่ะก็เป็นเหตุปัจจัยให้ตัวหนูแล้วก็เพื่อนร่วมทุกนิสสังสารวัตรคะได้พบกับ อพานิพานในอันใ น, ในอันที่ไม่เนิ่นช้าค่ะเออฉลาดดีบางคนนะ่ะขอพิลึกขอให้ได้พุทธพาพนิพานในอนาค ต, ตการนานไกล <c oughs> โง่จริง <c oughs> แทนที่จะขอเร็วๆนะขอให้นานไกลนี่นั่นคือเปลี่ยนคําพูดซะหน่อยนะให้ถูกเลยก็ขอให้พระพเจ้ า, าได้เวียนว่ายตายเกิดอีกนานๆประโยชนอย่างนั้นนะ่ะ ด้วยบุญอันนี้ขอให้ได้เวียนไหว้ตายเกิดอีกนานๆเนี่ยไม่ฉลาดเลยเกิดที่ไรก็ทุกๆทีทแหละเกิดในมรดการหลวงพ่อจ้ะค่ะก็แดะนทางหลวงพ่อว่าที่ปฏิตัดอยู่เนี่ยนะคะพอจะมาถูกทางบ้างหรือเปล่าคะเห็นความเปลี่ยนของตัวเองไหมความเปลีป่ยนแปลงเห็นค่ะเห็นจิเลสบ่อยไหม เห็นค่ะดีเห็นที่โมโหปากไวหงุดหงิดเห็นช่ะอืมชี้โมโหหงุดหงิดเนี่ยดีปากไวปากไวเนี่ยเพราะสติไม่ทันนะค่ะงั้นจะไปฟองหงุดหงิดปุ๊บรู้ทันนะปากจะค่อยไวช้าลงนะยังไม่ค่อยไวถ้าปากไวเนี้ยปิดสีนะเอ่งั้นเราฝึกไปเรื่อยแต่ลไยศีเราก็จะดีแสดงว่าที่ที่ที่ที่ทําอยู่นี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคจิตถึงฐานหรือเปล่าขณะดนี้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 จะมีสติรู้กายรู้ใจไปเราก็เหมือนว่ามันดูกายนี่จะกายเคลื่อนไหวนี่ชัดแต่ว่าจิตนั้นดูไม่ค่อยออกหรือว่าสามารถดูกายเอาไายนะค่ะแต่ละคน่ะจริตนิสัยไม่เหมือนกันดูอะไรชัดน้อาวันนั้นแหละสังเกตไหมร่างกายเคลื่อนไหวแต่ใจเราเป็นคนดูเพราะฉะนั้นมันก็รู้ทั้งกายทั้งใจนั่นแหละะแต่ไม่ต้องไปเที่ยวดูว่าใจเราเป็นยังไงใจเป็นงไงมันจะว่างๆจะไม่มีอะไรให้ดูไม่เห็นอะไรว่างๆไม่จงใจดูนะ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 นีห่หัวเราะอีกพูดความจริง <laughs> ค่ะกลับนำ้ำมันการหลวงพ่อค่ ะ, ะปกติแล้วจะเป็นคนที่ที่โมโ ห, โหแล้วก็โมโหร้ายแล้วก็หลังจากที่ว่าได้มาสวดมนต์ภาวนาแล้วก็รู้จักกับสมาธิมันก็ดีขึ้นแล้วพอดีนี้เพราะระหว่างที่นั่งนในช่วงหนึ่งก่อนจากน้านนี้ค่ะมันนั่งแล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าตัวเรามันลอยๆค่ะ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 ควรละเรื่องกันนะแล้วอตอนตอนนี้เพราะว่านั่งปฏิบัติสวดภาว น, นาเสร็จเอาอย่างนี้ต่อไปมีปิติรู้ว่ามีปิติ <c oughs> นะถ้าน้าตาไหลเห็นร่างกายมันน้ําตาไหลใจเป็นคนดู <c oughs> ถ้ามันโคลงขึ้นมาเห็นร่างกายมันโคลงใจเป็นคนดูฝ <c oughs> ึกอย่างนี้เรื่อยๆนะ <c oughs> ถ้ารู้สึกตัวมันจะลอยเห็นร่างกายมันรู้สึกลอยๆนะใจเป็นคนดูให้มันมีใจเป็นคนดูเรื่อยๆ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 เอางี้สิจะบอกให้ถ้าพออ่อเรียกนะเราสวดบทเดียวเลยเมตตาคุณนาเอระหังเมตตาเออเมตตาคุณนางเอระหังเมตตานะเขาจะเรียกไปดานะมันก็เจอหน้าเราเผลอแจกเงินเลยเออนะใช้ให้มันถูกบทนะอย่าไปอนิจจาวัฏสงขาดา่า อย่างนั้นเป็นสมถะนะแต่ที่หนูฝึกและใช้ได้ขันมันเริ่มแยกแล้วรู้สึกไหมไกายกับใจมันโคระนดูออกใช่ไหมนัม่นแหละขันมันแยกแล้วล่ะถ้าขันมันแยกได้แล้วการพอนามจะเข้าสู่จุดที่ราบรื่นขึ้นแล้วก็วต่อไปเราแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเราเห็นขันมันทํางานเท่านั้นเองะใช้ได้นะไปทำเอาแต่ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานนะดูออกไหมกราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะ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 โยมก็นึกได้แล้วก็เห็นฟังซีดีของหลวงพ่อบอกว่าให้ทําความสงบสิ ล, ลูกเคยโยมเคยทําความสงบแล้วทําสมาธิได้แล้วแต่พอภาณบัตรนั้นทําไม่ได้แต่โยมก็ลองทําสมาธิคือดูลมหายใจบ้างบางทีเขาก็เอาพุโทโธบางทีก็ไม่เอาแต่มีกําลังกําลังมันหมดมันลสามลักษณะนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อโยมทําตามรูปแบบ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 แต่มันเห็นประจํา ม, มาฮะหาลวงพอ่อเนี่ยรู้สึกไหมตอนเนี้ยดึงขึ้นมาละใช่ค่ะมั น, อ, นอยู่ข้างบนนะ่ะเราไปดึงพลุ๊ขึ้นไปเลยเนี่ยที่ ด, ดูสิถ้าหลวงพ่อยืดขอทั้งวันเนี่ยหลวงพ่อจะเมื่อยไหมเนี่ยถ้าหลวงพ่ออยู่อย่างนี้ทั้งวันเดี๋ยวหลวงพ่อต้องหลงอย่างนี้มันมันก็หมดแรงสิแล้วเขาเป็นอย่างนี้เป็นประจำทำไม่เคยชินนะี่เคยชินคนพอโยมนั้งปักเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นมากค อ, อ, อมันเป็นความเคยชินของคนรักดี นะรักดีหามจัว่วใช่ไหมจั่วมันสูงนีม่มันต้องยืดเลยนะไม่งั้นหามมันไม่ถึงอ่ะ <c oughs> ใจกล้าๆหน่อยนะฝึกสบายๆเาแล้วให้โยมแก้ปัญหานี้ตรงนี้ยังไง ร, รู้สึกแต่สบายรู้ทันหายใจไปรู้ความรู้สึกไปเอาวิหารธรรมหายใจแล้วรู้ความรู้สึกไปนะส่วนจะไอตรงเนี้มันเกิดจากจงใจจะปฏิบัติแลดึงขึ้นมาแต่เวลาโยมไม่จงใจมันก็ขึ้นอยู่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 กลัว จ, จะผิดองเนาะดีใจมากค่ะได้ส่งการบ้านครั้งแรกวันนี้ค่ะฟังแต่ซีดีของท่านอ่ะอืมฟังทุกวันฟังแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอ่ะค่ะอแล้วอยากจะถามว่าหนูดูจิตเป็นะอะไรยังค่ะเห็นความโกรธไหมเห็นค่ะเห็นโลภไหมเห็นค่ะเวลามีความสุขรู้ไหม รู้คะ่ะรู้รไหมว่าทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปอแล้วก็ไปค่ะรู้ไหมว่าทุกอย่างมาได้เองไปได้เองค่ะนั่นแหละค่ะแต่<ด>แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ว่าอกิตอ่ะมันเห็นมะเร็งสาพท์อะคะอืมหนูจะโกรธมากเลยพอเห็นมะเร็งสาพจะทำร้ายเขาอะคะอ่ะแล้วทีนี้พอฟังหลังจากฟังซีดีหลวงพ่อะค่ะ พอเห็นปั๊บหนูก็ น, กนึกนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อให้ถือศีลห้าค่ะแล้วก็<ด>หยุดได้ตัวนี้หนูหยุดได้แล้วค่ะดีสาธุเมื่อก่อนหนูจะเยียบอะค่ะอะดีดีหลวหพ่อ เ, เคยรู้จักคนหนึ่งนะกรวแมงสามมากเลยเวลาแมงสามมานะจะกระโดดเลย จะกระโดดหนีนะแต่หนีแล้วลงมาเหยียบแมงสาบทุกทีเลย่แมงสาบนี่แปลกนลชอบวิ่งมาพันขานะนี่ใส่แล้วนั่นแหละตอนนี้พอฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันทุกวันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแมลงสาบก็เขามาเองเขาก็ไปของเขาเองได้อะไม่ต้องไปไปฆ่าเขาเลวค่ะถ้าบ้านเราไม่มีของกินเยอะนะมันก็ไม่มาคที่ปุติหลวงพ่อไม่มีแมงสาบเลยพอพอเราไม่ทำร้ายเขาก็ก็ไม่ก็เห็นแล้วค่ะ ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาไปของเขาอีดีคือปกติมันเป็นอย่างนี้นะสามมันก็อยู่ของมันนะค่ะแต่เราเกลียดมันมากเราก็คอยสอดส่องใช่ใช่ดูดูเขาเจอละเนี่ยนะพอใจใจเราสบายไม่ค่อยสนใจนะเหมือนมันไม่ไม่เห็นนะคะเแต่ว่าต้องฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันนะครัฟังทุกวันฟังหลายๆรอบอะได้ฟังได้มีความสุข เปิดเดม <procure> <Like> แม่เผื่อแม่สามมันได้ฟังว่าที่วัดหลวงพ่อมันมีนกนะนกเยอะเลยมีนกอยู่พวกหนึ่งเขาชื่อนกกระรางหัวงอกมันยังเด็กๆนี่แหละแต่หัวมันขาวเขาเรียก um, นกการะรังหัวงอกเป็นนกที่เสียงดังสวยนะแต่ไม่มีใครเลี้ยงเลี้ยงได้สามวันเขาคงจับทอดหมดเสียงมันดังนกหูมากเลยไอ้นกเนี่ยถ้าคนไหนมันไปเกาะที่กุฏิไหนแล้วเขาไล่นะ มันจะเวียนแก้งอยู่นนะมาเกาะทั้งวันเลยถ้าพูดกับมันดีๆนะพ่อเจ้าประคุณไปร้องที่อื่นเถอะอะไรอย่างนี้นะออมันก็เชื่อเหมือนกันนะเอลองบอกแมงสาบสไิไปเที่ยวที่อื่นบ้างนะกลับนำ้ำมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่ส่งกันบ้านเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูลมหายใจหนูก็ไปตามดูลมหายใจ อแต่บางทีก็ดูกายบ้างนะคะอ่าลองพ่ อ, อถ้าดูกายเนี่ยหนูว่าบางทีก็จะเห็นชัด ก, กว่าหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเคาะนิ้วว่าบางทีก็เห็นใจไหวอยู่กลางหน้า อ, อกด้วยแต่ก็ยังดูลงหายใจยังไม่ถึงค่ะได้ดูลงหายใจก็คือดูกายนั่นแหละอ๋อค่ะอยู่ในหมวดกายค่ะก็เห็นสุขทุกข์ดีช่วยเห็นกิเลสต่างๆแต่ว่าอมีมีอยู่วันหนึ่งก็เห็นว่า เห็นตัวเองในกระจกอะค่ะไม่ไม่ใช่ตัวเองอืแต่หนูว่าอืเวลาเขายิ้มเขาอะไรเขาไม่ใช่หนูเลยนะคะหนูเขาเขาเป็นมารหรือเปล่าเขาเป็นมารหรือเปล่ารูปเขาไม่ใช่มารเขาเรียกว่ารูปมันเป็นรูปอ๋อแล้วหนูต้องดูต่อไปหรือว่าก็ดูไปสิมันไม่ใช่เราไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราพอดูไปอ่ะค่ะต้องหลบอนะคะเพราะว่ามันเกิดความกลัวอืมพอเกิดความกลัวแล้วหนูก็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 ไม่ได้ติดสมาธาิใช่ไหมไม่ติดอ่หนูติดฟุ้งซ่านมากกว่าสมถาธาิค่ะเอ่อหนูกลับขอกันบ้านของหลวงพ่อค่ะไปดูอีกค่ะเหมือนเดิมนะค ะ, ะ, คะเออกรรมฐานไม่เปลี่ยนบ่อยนะถ้าเปลี่ยนกรรมฐานรายวันเนี้ยพาวนาไม่ดีหร <c oughs> อ <c oughs> กค่ะภาวนากรรมฐานเนี้ยเขาใช้กันเป็นปีๆค่ะบางคนนะกรรมฐานอันเดียวใช้ทั้งชาติหลตามหาบัวท่านบอก ท่านใช้พุโทโธนะทั้งแต่ต้นจนจบเลยตลอดเลยก็มาทานอันเดียวเองไม่มีอะไรแต่ไม่ได้พุโทโธให้จิตนิ่งนะถ้าวันไหนฟุ้งซ่านก็พุโทโธให้จิตนิ่งแล้วพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็พุโทโธเราก็รู้ทันจิตไหมคะเพื่อให้าการภาวนาลูกไม่ติดขัดนะคะลูกขอกราบขอขอมา ต่อพระรัตนารายพระอริยสงเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายนักบวชขอขมาพระอาจารย์ประโมทปราโมชโชติขอถวายการปฏิบัติถึงพุทธบูชาธทมบูชาสังฆบูชาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ต่อพระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชลูกสะพายวันาไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนะคะเออสาธุอ mm ่าวว่าเร็วๆพวกนี้เริ่มง่วงแล้วกลับมาสักการ์หลวพ่อครับ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 ไม่ทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติถูกไหมแล้วก็การที่จะขึ้นวิปัสสนานั้นควรจะทําอย่างไรคะวิปัสสนามันก่อนจะขึ้นวิปัสสนาได้เราต้องแยกขันได้ะเห็นกายกระจายเป็นขร่านการเห็นสุขทุกข์กระจายก็ขร่า น, นะเห็นดีชั่วกะใจก็รวร่านตอนนี้เห็นนะยังอะ่ะไม่แน่ใจเจคะ่ะเรายิ้มสิ <c oughs> รู้สึกไหมร่างกายยิ้มค่ <c oughs> ไปยักหน้าสิะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยถ้าเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนรู้สึกนะไม่ใช่ได้นะของโยมเนี่ยกรรมฐานเดิมที่ทํานะมันใช้กําหนดเอาเพียงเอานะเพราะฉะนั้นจะติดแต่ตอนนี้คลายออกแล้วล่ะนะดีกว่าเก่าแล้วล่ะใจมันเริ่มเคลื่อนได้รนะู้สึกไหมใจมันเริ่มเคลื่อนได้แล้วใช้ได้ถ้าใจมันนิ่งเฉยเจออะไรก็กําหนดแนละ้วก็นิ่งอยู่นะไม่ดีอย่างนี้ถึงจะเดินปัญญาได้รู้สึกไหมใจหนีไปคิดได้ เออเนี่ยใจหนีไปคิดเราก็รู้เอาหรือร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจหนีไปก็รู้ะฝึกรู้กายฝึกรู้ใจอย่างนี้เพ่งนะถ้าเพ่งลมจะอึดอัดอึดอัดยังก็ไม่มากค่ะนั่นแหละก็แสดงว่าเพ่งไม่มากก็คือเพ่งนะถ้าถ้าใจเป็นตัวรู้จริงไม่อึดอัดรู้สบายสบายรู้ปลอดปลงล่องเบา ไปทำอีกไหมเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคนสุดท้ายกลับนมัสการคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หลวงพ่อประโมทชามโมโฉค่ะแล้วก็คุณนนท์คุณนี่ด้วยแล้วก็คณะสงฆ์รวมทั้งโสดีกรยามิตทั้งโอ้คนนี้น่าจเป็นสอสค่ะขออนุญาตส่งการบ้านนะคะก่อนหน้านี้หนูไม่ค่อยมีภาวะอารมณ์โกรธสเท่าไหร่แต่พอ พอช่วงหลังนี้มีภาวะอารมณ์โกรธแล้วอารมณ์โกรธนี้มันจะรุนแรงมากภาะวะ่าอะไรนะโกรธค่ะ โ, <อ>โกรธทีนี้พอมานี้ถึงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โกรธปุ๊บหนูจะด่าเลยแต่ว่าพอพอหนูพอจังหวะที่โกรธแล้วด่าไปหนูก็รู้ว่าหนูโกรธในภาวะร่างกายรู้สึกว่ามันเหมือนมีไฟสูงอกแล้วก็มันร้อนมากนะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าพอทิ้งไปช่วงหนึง่งพอดูไปบ่อยๆปุ๊บ จากที่ว่าชอบด่าก็เริ่มจะกโกรธแล้วก็หยุดมันปิดปากซะอพอปิดปากพอมาช่วงหลังอีกสักระยะนึงปุ๊บพอพอมีภาวะโกรธอีกภาวะโกรธรุนแรงปุ๊บอีกหนูก็หนูก็ใช้วิธีหนูก็ใช้วิธีที่ว่าโอเคโกรธก็โกรธแต่ว่ามีมีเสียงเหมือนเสียงอีเสียงหนึ่งบอกว่าขอโทษนะคะถ้าเกิดพูดคำหยาบไปนิดนึงมึงจะโกรธอะไร S <S ทำไมมึงต้องโกรธด้วยอ ม, มึงโกรธแล้วเขาเป็นทุกข์กับมึงไห ม, มความรู้สึกหนูก็เลยเออว่ะก็จริงว่ะแล้วทําไมหนูต้องโกรธด้วยอพอพอเกิดภาวะแบบนั้นปุ๊บหนูก็เออผ่อนไปอารมณ์ที่ว่ากโกรธแรงปุ๊บมันก็ลดลลงมาจนจนในที่สุดหนูตั้งใจว่าหนูจะไม่โกรธ <ๆ S 1> แต่พอหนูตั้งใจว่าไม่โกรธปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมันภาวะโกรธรุนแรงมากขึ้นนะคะพอโกรธรุนแรงมากกว่าเดิมปุ๊บ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 ทีนี้ไม่ตามว่าหนูมาถุกทางแล้ว ย, ยังคะมีอะไรต <ปะ S 1> <น>้อะ <laughs> มีอะไรต้องแก้ไขแล้วก็มีการบ้านที่หนูต้องส่งไหมคะรู้ไปเรื่อยเรืรู้ไปสบายสบาย <c oughs> ต, ต่อไปเวลาโ ก, กรธนะให้เห็นเหมือนเห็นคนอื่นโกรธ <c oughs> ไม่ใช่เราโกรธเราเราเป็นแค่คนดูดู <c oughs> อีบ้านนี้มันโกรธ ด, ดูอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วดูอีนางเนี่ ม, นมันโมโหอะไรอย่างนี้ <c oughs> ดูดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยเดูสบายสบาย เวลามันฟุ้งซ่านก็นดูอ e ีบ้านนี่มันฟุ้งซ่านบาง อ, อ, อย่างนี้นะ <laughs> หนูก็ดูแบบนี้อยู่ค่ะ อ, อ<า>ั่นแหละ ค, คือดูดูจนรู้สึวเออขี้เกียจดูแล้วมึงจะเกิดก็เกิดช่างมึงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบทําใจอย่างนั้นที่หนูวางนะค่ะของหนูวางว่มึงจะเป็นอะไรก็ช่างมึง <c oughs> กุยไม่ยุ่งกับมึงแล้ว <laughs> <laughs> ใ, ใจใจเรามันไม่โปร่งนะใจเรามันไปไปพูดพูดอย่างงั้นเพื่อจะได้สบายใจเท่านั้น ต่อไปนี้เราพยายามดูะเวลาโกรธขึ้นมาเราเห็นเหมือนเค็คนอื่นโกรธเวลาโอบเวลาสุขเวลาทุกข์เหมือนเห็นคนอื่นทํางานดูมันดูคนอื่นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปชิดอะไรมากหรอกอ๋อหนูก็เคยลองเหมือนกันค่ะแต่พอเหมือนที่อาจารย์พูดนะคะพอหนูลองลองดูแบบนั้นปุ๊บหนูว่าหนูนั่งหัวเราะเลยนะคะหนูว่าเออตลกดีเหมือนกันไดเวลาโกรธเวลาเวลาร่างกายมันโกรธนี่เออตลกดีว่าเออนั่นแหละดูอย่นั มันมันมันเต้นได้ด้วยอะไรแบเนี้คือเห็นแล้วตลกมากเลยค่ะนั่นแหละอย่างนั้นแหละอจบและหนูต้องส่งกลับบ้านอะไรอีกไหมคะอาจารย์ไปดูต่อไปดูอีบ้านนั่นแหละได้ค่ะขอให้บุญกุศลที่หนูได้กระทำในปัจจุบันชาตินะคะจนถึงอนาคตชาตินี้ส่งไปให้จะเกิดอีกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่ะ อขอแค่ชาติ right. นชาติวสุดท้ายขอชาติน toler, so um ี้ชาติสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็พ่อหนูมีหัวนแค่พ่อกับแม่เท่านั้นชาตินี้หนูก็เลยว่าถ้าอย่างไรพ่อขอให้บุญกุศลนี้ส่งไปถึงทุกท่านกละารมิตรทุกท่านแล้วก็หลวงพ่อปราโม้นนะคะพ่อขอให้ได้รับสมบูรณ์บุญกุศลด้วยหนูก็ขอแค่ชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์สาธุค่ะ กลาวขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะที่มีเมตตากับทุกคนในวันนี้นะคะค่ะขออนุญาตกล่าวนำคำถวายนะคะข้าพเจ้าทั้งหลาย <onse i. S 1> ขอน้อมถวาย pues จตุปัจจัยทยธทา น, จจานแก่หลวงพ่อปามโทปามโทโชเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นการลนานเทิญยะถาวาริวหาภูราภริภูเรนติสาครังเอวามวาอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุ สเพปูเรนตุสังก ป, ปาจันโทปนรสอยถามณีโชติรสอยาถาสพีติโยวิภัชตุสัพรโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีอีกคาโยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจจังุทธาปจายโนจะตาโรธรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลัง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 หรือดนะูยูทู e แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นต้องฝึกนะค่อยๆฝึกอย่ายอมจำนนกับกิเลสนะฟู้มันต้องทนทุกข์ให้ได้ไปก่อนแล้ว